สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายธกศ์คนชอบเล่าคลิปนี้ผมก็จะขอถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับจากท่านสมาชิกต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งผมเองก็จะค่อยๆท ย, ยอยถ่ายทอดออกไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณนิพนธ์นุกบุษบันในได้แนะนํามาครับเรื่องราวนี้ก็คือตำนานลี้ลับในพงไพรซึ่งได้ข้อมูลมาจากคุณพลอยพนมหนังสือนิตยาสารรายสะดวกเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่า เมื่อผมพักกิ่งไม้ทำเป็นแต่ขอยาประมาณวาวก ว, ากว่ามาได้หนึ่งอันแล้วผมก็ย้อนกลับลงมาที่เก่าซึ่งปรากฏว่าบหมืนแก๊ปกระบอกนั้นได้ถตรทานไปเสียแล้วสองข้างร่องผาที่เป็นตัวน้ําตกน้อยๆแห่งนี้เต็ไมไปด้วย ก, กอไผ่ลำเล็กๆข้อสั้นๆเรียกกันว่าไผ่ตากว้างใบใหญ่หนานและกว้างพวกแม่้าขนมตามในเมืองนิยมห่อข้าวเหนียวและเครื่องปรุงทําขนมบะจ่ า, จางส่วนชาวเมืองป่าสักอย่างพวกเรา ชอบที่จะนำมาห่อเนื้อสับละเอียดคล้ายหมูบะช่อคลุกคล้าเครื่องเทศย่างไฟถ่าน อ, อน่ อ, อนๆซึ่งช่วยให้กลิ่นหอมชวนชิมอย่าบอกใครผมเดินเลยกอไผ่พวกนั้นขึ้นไปด้านบนเพื่อสอบหากิ่งไม้ไปทำตะขอเกี่ยวตัวปิ่นออกมาจากหลืบหินโดยทิ้งปืนเอาไว้ตรงนั้นเพราะไม่อยากแบ่งไปให้เกี ก, กะและอีกอย่างก็เห็นว่าเดินห่างออกไปใกล้ๆแต่พอเข้าจริงๆมันกลับกลายเป็นความผิดพลาด่างมหัน เมื่อผมหักกิ่งไม้ทําเป็นตะขอยาวประมาณวากว่ า, วาได้มาอันนึงแล้วผมก็ย้อนกลับลงมาที่เก่าซึ่งปรากฏว่าปืนแก็บกระบอกนั้นได้อันตรธานไปเสร็จแล้วช่วระยะเวลาไม่ถึง5้านาทีมันเป็นไปได้อย่างไรจะว่าไอ้สนตามแกล้งผมก็ไม่น่าจะใช่เพราะไม่มีเหตุผลใดที่มันจะทําอย่างนั้นผมเดินถือไม้ตะขอสํารวจดูรอบๆโขดหินที่พิงกระบอกปืนไว้แต่แรกอย่างละเอียดซึ่งบนพื้นรอบด้านเป็นโวดทรายและก็หินเล็กๆไม่ปรากฏร่องรอยใดๆให้เป็นที่สังเกต เพียงแต่ถัดไปอีกหน่อยตรงริมร่องผาซึ่งเป็นเนินดินสลับโขดหินผมนเจอรอยลากครูดปืนเป็นทางยาวมุ่งสู่ป่ากบนเนินเขาทําให้มั่นใจว่าตามมาถูกทางในขณะที่ภายในใจก็นึกสงสัยว่าเป็นตัวอะไรที่อุตส่าห์ดันด้นไปลากอาวุธของผมมาเพราะในอดีตเรื่องราวทานองนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันอย่างเช่นที่ป่าดิบเชิงเขาพระสุหมีหลังอําเภอสุขสําราญจังหวัดระนองเมื่อประมาณ560ปีก่อนปีพุทธศักราช2 5งพ สมัยที่กาบับดีเมืองบางกอกมาขอประธานบัตรทําเมืองดีบุกกันที่นั่นภายใต้ชื่อบริษัทเหมืองโชนมีทั้งนิทานนิยายและเกร็ดเรื่องราวขำๆเกิดขึ้นที่นั่นมากมายเล่ากันว่าแม้แต่อดีตพนนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งมีหุ้นส่วนของเหมืองดังกล่าวอยู่ด้วยก็เคยเดินทางไปที่นั่นด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรับประธานตับเตา่าที่ว่ากันว่าเป็นยาเพิ่มพลังทางเพศเป็นอย่างดี ทังนี้ก็สืบเนื่องจากพวกคนงานในเหมืองเคยฆ่าเต่าและผ่าเอาตับของมันออกมาย่างจนสุกและส่งไปให้ท่านที่บางกกเพื่อให้ท่านทดลองรับประทานแต่สมัยนั้นหนทางธุระกันดารก่าตับเต่าที่ส่งไปจากปากใต้จะถึงมือท่านที่บางโกกมันก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเสียก่อนท่านจึงตัดสินใจมาสอหาเองซึ่งเล่ากันเป็นนิยายว่าเมื่อพณะท่านเหาะมาถึงพวกเต่าย่างเต่าหับและสารพัดเตา่าภายในป่าแห่งนั้นนับเป็นร้อย ถูกสังหารเพื่อผ่ากระดองหลวงเอาตับของมันออกมาย่างให้ปณ ะ, ะท่านและคณะได้ทานกันและภายในป่าเชิงเขาพระสมีซึ่งหลอมรอบอนาบริเวณเมืองแร่แห่งนี้นี่เองที่มีเรื่องราวเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งกระโน้นเคยเป็นป่าที่มีสิ่งสารสัตว์ชุกชุมไม่แพ้ป่าหรือภาคเหนือหรือภาคกลางของประเทศไทยทําให้บรรดาพรานเล็กพรานใหญ่ต่างมุ่งหน้ากันไปที่นั่น เพล่าพวกมันแล้วตัดเอานอเขาอุ้งตีนหรือแม้กระทั่งเขี้ยวและงาของมันออกมาขายให้กับในทุนผู้รับซื้อกันอย่าเป็นล้ำเป็นสันแต่บางคราวพรานใครก็เสียท่ายกับสัตว์ป่าพวกนั้นมันบ้างเหมือนกันเป็นต้นว่าโดนโขลงช้างบุกเข้าหรือเต็นที่พักทําลายเสบียงและข้าวของเสียหายจนตกินข้าวหลิงเป็นวันสองวันกว่าจะกลับออกมาจะบปากกันได้ก็เคยมีมีตาพรานท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อยมใครๆก็เรียกกันว่าพรานยม ชอบเดินป่าตามลำพังพร้อมอาวุธคู่กายคือปืนแก๊ปรางแดงซึ่งเป็นปืนกระบอกโตยาวสมซอกกับ1คืบซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งคืบที่เหลือมาจากสามซอกเป็นการเพิ่มเพื่อเอาเคล็ดสัตว์ป่านในโรงพยาบาลต้องจบชีวิตลงด้วยปืนรางแดงกองแกกระบอกนี้มาเสีนักตัว น, นักกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังเดินท่องไพรยอยู่กลางป่าลึกก็ เ, เกิดอาการปวดท้องเบื้องล่างขึ้นมานึบนบโดยไม่รีอรอ ก็เอาปืนของแกพิมพ์ต่อไม้แล้วเลี่ยนไปหาที่นั่งหมอบๆเพื่อที่จะถ่ายทุกหนึบๆนักทิง้งเสียครานแกคล้อยหลังเดินไปทางโ น, น้นทางนี้เจ้าหลายพาดกลอนตัวโตวก็ตรงเข้างับปืนรางแดงของแกพาทะเลยคู่ป่าพราน ย, ยมเพื่อทุกเสร็จกลับออกมาชิบหายปืนกูแต่พรานเท้าออกค้นหาซากศพไปทั่วบริเวณก็ไร้ร่องรอยอื่นใดนอกจากรอยเท้าของไอ้โครง่งขนาดจานเข้าเพิ่งจำผ่านไปหยกหยก แล้วไอ้ครุ่งที่ว่านั้นมันมันยุ่งเกี่ยวอะไรกับปืนของแกยิ่งคิดยิ่งค้นหาก็ยิ่งทําให้แกปวดเสียงเวียนกล้าวเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายแต่พรานเท่าก็หันหน้าเข้าพึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาที่แกขืนเส้นไหวทุกครั้งที่เข้าป่าล่าสัตว์ให้ช่วยดลบันดาลให้แกได้อวุธประจํากายของแกกลับคืนมาหลังจากนั่งคุกเข่าพนมมืออธิษฐานบนบานศาลกล่าวเสร็จสับแกก็รู้สึก ง, ง่วงเหา่าจนหนังตาที่ส่งข้างปิดลงด้วยความอ่อนเพลีย จึงล้มตัวลงนอนข้างขอนไม้เพื่อพอับขอนเอาแรงครั้นผดเคลองหลับแกก็ฝันฝันว่ามีตะแก่สังขารประมาณแก่คนหนึ่งผมเผาหนดาวดเขารกรุงรังแถมเปลือยกายล่อนจอนเดินมาหาแกพร้อมกับฉีหน้าดาหาว่าแก่เส้นไว้เจ้าป่าเจ้าขเขาอย่างลำเอียงเจ้าป่าตนนัวอื่นๆแค่เอ่ยชื่อเชื้อเชิญให้มารับเครื่องเส้นไวจากแกทั้งหมดเว้นแต่ตาฉีเลือยตัวนี้ตัวเดียวที่แกไม่ได้เชื้อเชิญฮ่าๆไอ้ลูกหมามึงไม่นับทือกู สิ่งนั้นดังบาดลึกจนแสบแก้วหูทั้งสองข้างท่านเป็นใครพรานยมร้องถามขึ้นในความฝันลูกช้างขออภัยที่ต้องถามชื่อแท้พระไม่อย่างนั้นเวลาบนบานศาลกล่าวลูกช้างเอ่ยพระนามเอ่ยชื่อของท่านมีถูกฮ่าฮ่าฮ่วรตายเองมันสมควรตายฮ่าฮ่แต่ชีเปลยตนนั้นอาปาคุนระยอพรานเท่าสิ่งกึกกองทั่วทั้งป่าก่อนจะเพื่อถาม ป่าที่เอ็งบังอาจเข้ามาล้มเสือล้มช้างอยู่ณนบัดเดี๋ยวนี้ชื่อป่าอะไรเนชะไช่ลูกหมาเอ็งมันพรานยี่ห่อได้ถึงไม่รู้จักข้าทานโทรถึงครับใตเท้าลูกช้างสมควรตายจริงๆแต่พรานโยมยกมือไหว้ข่มหัวประหลกปะหลกก่อนจะกลั้นใจสอบถามสืบไปจนได้ความ ป่าตี่แท้แตาแก่ที่เปลื้องผ้าอุจจาในตาและเสกโผล่มาเข้าฝันกลางวันอยู่ในขณะนี้ก็คือพระสุห ม, มีเจ้าป่าเจ้าดงหรือเจ้าแห่งอันดาจักรที่แก่ลุ่มหลั่งเมันนั่นเองก็ตอนที่ลูกช้างเสซนไหวกราบกรอนลูกช้างก็ได้เอาน้ำคุงไตเท้าทุกครั้งนี่ขอรับแน่ไอ้นี่เที่ยงคําไม่ตกฟ้าท่าพระยาสุห ม, มีว่าขึ้นก็ข้ามีเชื้อแขกชื่อสุห ม, มีไม่ใช่มีเฉยเอ็งโม่แต่เชื่อเชิญใครก็ไม่รู้ชื่อพระหมี แล้วข้าจะกล้าบากนาเขาไปกินของเซนไวของเองได้ยังไงถึงข้าเป็นผู้เป็นสงังแต่ข้าก็มีอย่างอายเหมือนกันนะเว้ยว่าแต่เองอยากได้ปืนของเองขืนใชจไม่ล่ะประเดี๋ยวข้ากลับไปแล้วก็จะมีผู้เอามาคืนว่าแต่เองจะสึกตกใจกลัวจนขิดแตกขิแดแตนซะก่อนล่ะว่าแล้วเจ้าปากขี้คุยก็หายวับไปกับความฝันพรานยมตกใจตื่นขึ้นมานั่งงูเงียบเหมือนคนเมาขี้ตา พรมกับนึกทบทวนในสิ่งที่ฝันเมื่อตอนงี่ปลับก็รู้สึกขนลุกขนพองด้วยความตื่นกลัวที่แถมปืนแก่ที่หายไปกับพระโดนเจ้าป่าเจ้าเขาตนนี้กแกล้ง น, นั่นเองผมรู้สึกขำๆเมื่อนึกถึงตำนานของตะพรานยมกับท่านพระสุหมีซึ่งเป็นตำนานที่เกิดขึ้นก่อนผมจะลืมตาดูโลกตั้งหลายสิบปีปู่เป็นคนถ่ายทอดให้ฟังขณะนั้นผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ชอบฟังนิทานและตอนนั้นผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง หากตอนนี้เมื่อมาเจอเข้ากับตนเองผมกลับนึกขำเพราะผมค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ใคร่จะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นักเรียนชั้นมัธยมเพืสอบเลื่อนชั้นเรียนได้คะแนนตั้งเกว่าเปอร์เซ็นต์มาหยกหยกจะไม่ยอมรับกับสิ่งที่นอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรแต่เอถ้าอย่างนั้นปืนของตูเสือกล่งหุ่ไปได้ยังไงแล้ววะแล้วนี่ไงรอยลากที่คลุ้ไปกับพื้นเป็นทางยาวไปทางโน้นผมเลือนมองขึ้นไประหว่างโขดหินน้อยใหญ่ที่สลับเรียงรายไปตามแนวเนิน พร้อมกับมั่นใจว่าถ้าเป็นสัตว์อะไรมาคาบอกไปจะต้องเป็นสัตว์ใหญ่และน่าจะทิ้งร่องรอยเอาไว้บ้างแต่นี่เปล่าเลยนอกจากร่องรอยที่ลากครุ่นไปกับพื้นเป็นทางยาวบนพื้นนั่นหน่อยหนึ่งแล้วพอถึงแนวโคดหินใหญ่ซึ่งระเกะระกาะและสูงท่วมหัวผมร่องรอยนั้นก็กลับหายไปเลยมันนึกย้อนถึงเรื่องราวของตะพรานยมที่ปู่เคยเล่าให้ฟังอีกครั้งผมก็กลดลุกสู้เพราะหลังจากตะพรานเท่าลุกนนั่งทบทนความฝันเสร็จแล้ว ด้วยสำนึกที่เคยเส้นไหวในนามของพระสุมิผิดพลาดแกจึงก้มลงกราบเ ง, งามันพื้นอีกครั้งหมายจะขอขอมาลาโทษในความผิดพลาดของแกขันก้มลงกราบครบ3ามครั้งกลิ่นสาบสางแอบเหม็นขืนก็เฉยวูบเข้าจมูกด้วยแสงชาตยานของพรานพรทําทให้พรานเท่าเหลียวหาบนคู่กายอย่างลืมตัวทั้งที่รู้ว่ามันหายไปแล้วพอตั้งสติได้ก็คว้าด้ามมีดคลอกซึ่งเป็นมีดพรานที่เสียบอยู่ในฝักค้าซาเอลและดึงมันออกมา มีตรานเล่มนั้นตั้งแต่โขนด้ามจรดปลายแหลมยาวกว่าสองคืบผ่านการถูรับกับหินลับมีดจนเกิดความคมเข่าวับจับเงาแกขยับจับด้ามของมันแนบกระชับอยู่ในอุ้งมือข้างขวาอย่างเตรียมพร้อมเองอยเสือกทำอะไรงงๆชิยวเนาสิ่งเตือนของเจ้าป่าฉีบเลยสอดขึ้นข้างหูพรานเท่าพร้อมๆกับการปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแทบดูไม่ทันคนเสือโครกขนาดมะหึมมาทำให้พรานเท่าถึงกับตาแทบถลนออกนอกเบ้า เขาอ่อนตีนอ่อนมือไม้อ่อนเปลี้ยวเพรียแรงจนมีดพรานเล่มนั้นล่นจากมือก่อนที่แก่จะสุดหน้าคว่ำลงกับพื้นชนิดยอมถาหวายหัวใจให้มันอย่างซิโรราบจเจสเออลายพาดกลอนรูปร่างขนาดช้างแรกรุ่นตัวนั้นทอดย่างข้ามไยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าแกพรานเท่าเหลือบตาขึ้นไปมองปืนแกป๊ปไอ้รางแดงของแกติดข้าอยู่ในโครงเขี้ยวอันแหลมงโงอยู่ภายในปากของมันในตาสองข้างของเสือยักษ์แดงกำ่ำมจนแทบจะรู้เป็นไฟ แล้วกลอนเสียงขุมขวัญหึมโอออกมายัางอึกกระทึกกึกก้องดุดเสียงกลนจรนาดของพยาคุชจาศันทำเอาหัวอกหัวใจของพรานเท่าแทบจะแตกแยกออกเป็นดื้อเรียวด้วยแรงสั่นสะท้อนจากอำนาจเสียงอันแผดกล้องของบอลลูกช้างกลัวแล้วอย่าทําอันตรายลูกช้างเลยพระเจ้าประคุณเสียงรอ ย, ยอเยอเหยด่ดังขึ้นข้างหูพรานเท่าที่อย่างนี้แล้วทาเป็นกลัวแต่เวลาเชือ่อเชื่อในขาไปกินเครืงเสร็จแล้วทําเป็นลืม คราวหน้าคราวหลังขึ้นทำอีกแล้วก่อนนาดูจำไว้หาไปก่อนละสิ่งสิ่งนั้นเจ้าเสือผีผู้ข้าปืนไปคืนให้แกก็กระโจนแผลวาหายไปในดงไม้ช่วยพริบตาพรานยมแม้จะยังไม่หายสั่นจากการตกใจกลัวแต่แกก็ค่อยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเป็นกองแกเร่งสุดอากาศปลอดโปร่งส่งเขาปอดแรงๆสองสาครั้งเรียกกาลังวังชากลับคืน จากนั้นจึงค่อยๆขานไปหยิบปืนคู่ชีพบรรุบคลัมอย่างทุรนทุร๋อมเรากับคนรักที่พรากจากกันมานานปีและเพิ่งจะได้หัวกลับมาพบกันปู่ไม่ได้รล่ ว, ว่าปืนแก๊ปของตะพรานจมกระบอกนั้นได้กลับคืนมาในสภาพใดกระสุนดินดำที่ประจูุอยู่ข้างในยังเรียบร้อยดีหรือไม่พระนิทานของปู่จบลงแค่นั้นเมื่อพรานเท่าได้ปืนกลับมานิทานปรมป ร, ราของปู่ก็อวิสานผิดกับเรื่องราวที่เป็นจริงซึ่งกําลังเกิดขึ้นกับผม เพราะหลังจากผมเดินแกหาร่องรอยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพานท้ายปืนถูกลากครูกไปกับพื้นได้สักครู่ปัง้งก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นตรงหน้าใกล้ๆ ก, ก, กับโขดหินที่สูงท่วมหัวผมซึ่งอยู่ถัดไปสักประมาณวาวกว่ า, วาพร้อมกับกลิ่นดินปืนลอยฟุ้งก็จมูกจนแทบสำลักโดยไม่รอช้าผมพุ่งปราบไปตรงนั้นทันทีเสียงปืนของผมที่ผมไม่ได้ยิงเรียวแรงที่กำลังจะหมดไปสายตาที่เริ่มพร่าและมืดหมัวลงลมหายใจที่เริ่มจะติดขัดมียรการง่วงนอนอย่างสุดๆ อยากจะหลับแล้วก็หลับแล้เรื่องราวทั้งหมดก็จบแค่นี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณนิพนุกบุษบันนได้แนะนำมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะสั้นไปนิดหนึ่งผมว่าเราไปกันต่ออีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจากท่านสมาชิกที่มีนามว่าพิษสะกดด้วยตัว P I S ที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวที่ตาเล่าให้ฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับ นี่คือเรื่องราวที่ตาของผมได้เล่าให้ฟังซึ่งปัจจุบันนี้แกก็เสียไปแล้วแต่ก่อนที่แกจะจากไปตอนแกอายุได้80ปีแกก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตาผมเล่าว่าสมัยก่อนตอนแกเป็นวัยรุ่นอายุก็ประมาณน่าจะ 20-21 ปีสมัยนั้นแกกับอาแกก็คือทวดของผมได้ไปเจ้าที่ดินแถวอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดวยวิธีการถางป่าปลูกข้าวไร่ใครอยากได้ที่เท่าไหร่ก็ถางปลูกข้าวเอา สมัยนั้นตาแ ก, กบอกว่าสัตว์ป่ายเยอะมากทั้งกวางวัวแดงเสือช้างแก่งและอื่นๆอีกเยอะแยะแกเล่า ว, ว่าอาคงแกได้ไปเจอต้นกระ t h นป่าออกลูกเต็มต้นและแถบใต้โคนก็จะมีร้อยสัตว์มากินลูกกระ thon เยอะแยะจึงได้ชิญชวนกันไปขัดห้างเพื่อว่าเวลากลางคืนจะได้มานั่งส่งสัตว์กันโดยคาดว่ายังไรยังไงก็ต้องได้ของติดหมายติดมือกันมาบ้างเมื่อตกลงใจกันเป็นที่เรียบร้อยจึงได้ไปขัดห้างกันขึ้นณจุดตรงบริเวณที่มั่นหมาย และ ว, วันนั้นหลังจากที่จัดการถังป่าปลูกข้าวแล้วได้กินข้าวกินปลากันเสร็จทักอาของตาและตาผมก็ออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังห้างทันทีตาแก่แล้วว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนห้างกันแล้วบรรยากาศตอนหัวค่ํายังไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงแต่เสียงจิ้งรีดเสียงกบทูดนั่นก็คือกบภูเขาและเสียงนกแซกร้องกันล้านสนันป่าได้แต่นั่นเงเงียบๆคอยกันไปดื่มด่าสัมผัสกับสิ่งที่ธรรมชาติและภมิไพรมอบให้ สายตาก็คอยจับจ้องฝ่าความมืดไปยังโคนกระท้อนเพื่อหาสิ่งที่เคลื่อนไหวนั่งคอยแล้วก็คอยด้วยความอดทนแต่แกก็ว่ามีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งหลังจากที่นั่งรอกันอยู่นานไม่มีสัตว์อะไรมากินลูกกระท h o n ป่าที่หล่นใต้โคนอย่างเยอะแยะสักตัวอาแกจึงบอกกับตาผมว่าถ้าทางจะไม่ดีแล้วคืนนี้พระปกติอย่างน้อยตอนหัวขําต้องมีมุสสังหรืออีเห็นหรือไม่กระพวกกระจงต้องลงมากินผลกระท้อนกันบ้าง แต่คืนนี้เวลานี้ไม่เห็นมีมาสักตัวซึ่งมันแปลกมันดูไม่ปกติเลยพอตาผมได้ฟังแกบอกว่าตอนนั้นแกเริ่มใจไม่ดีแล้วด้วยเพราะว่าแกไม่เคยนั่งห้างเลยแต่อารของแกเป็นพรานที่จำช่องเรื่องของป่าอยู่แล้วเพราะว่าคนสมัยก่อนที่เป็นพรานจะต้องมีวิสาอาคมติดตัวกันทั้งนั้นและอารของตาก็เช่นเดียวกันแกก็เลยยังพอมีความรู้สึกว่าอุ่นใจได้อยู่บ้างจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปเวลาเดินไปเรื่อยๆจนตกดึก สัพสัเนิยงของสัตว์เที่ยร้องแต่หัวข่าเงียบหายไปป่าทั้งป่าช่างดูเงียบสงัดได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองแล้วอาของตาก็หันมาบอกตาว่าให้ระวังตัวและอย่าตกใจถ้าเกิดอะไรขึ้นและเห็นอะไรให้ทำใจให้นิ่งและเงียบไว้ตาผมได้ฟังก็ยิ่งใจไม่ดีเข้าไปใหญ่ความคิดเริ่มสับสนไปหมดอะไรอะไรที่อาว่าผิดปกติและเราจะเห็นอะไรทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่นั่งนิ่งต่อไป เวลาก็ผ่านไปอีกยาวนานประมาณว่าน่าจะตีหนึ่งหรือตีสองและอยู่ดีๆหูก็แว่วได้ยินเสียงหนึ่งเหมือนเสียงเดินของใครก็ไม่รู้กําลังเดินเข้ามาที่ใต้โคนห้างต้นไม้ที่แก่นั่งไม่รอชา้าทั้งตาและอารีผันไปมองถึงต้นเสียงที่ได้ยินแล้วสิ่งที่แก่ทั้งสองเห็นก็คือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมจากแนวป่าและมาอยู่ใต้โคนห้างที่แก่นั่งทั้งตาละอาของแกก็มองหน้ากัน ราะว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อมาอยู่ใต้ห้างแล้วก็ยืนนิ่งอาแกจิงได้จะโกนถามว่านั่นใครพร้อมกับจุดใต้ตะเกียงแกส๊สส่องลงไปแต่สว่างทําให้เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเธอกําลังเงยหน้าจ้องขึ้นมาด้วยสายตาที่แข็งกร้าวไม่กระพริบตาผมสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวในแววตานั้นแกรู้สึกยินจเยื่ยตัวสั่นไปทั้งตัวแกได้แต่นิ่งอึง้งไม่กล้าถามอะไรออกไปผู้หญิงคนนั้นบอกกับอาของตาว่าเธอเดินหลงทางมาอยากจะขอขึ้นมานั่งบนห้างด้วย ต่อาของตาผมแกบอกว่าห้างเต็มแล้วไปที่อื่นเถอะแต่เธอคนนั้นดูเหมือนจะไม่ยอมพูดสารพัดเพื่อที่จะได้ขึ้นห้างแต่ไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ดีและเมื่อเธอไม่ได้ขึ้นเธอก็เลยชวนให้ลงไปหาเธอข้างล่างเธอบอกให้ลงมาและพาเธอไปส่งหน่อยแต่อาของตาก็ปฏิเสธไปเธอพูดอ้อนอยู่นานและเมื่อคําขอร้องของเธอมนไม่ได้ผลเธอจึงบอกว่างั้นกอนกินหมากพลูสักคำพูดแล้วเธอก็ทาท่าจะปีนต้นไม้ขึ้นมา ตาอาของตาผมบอกว่าไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวจะส่งให้จากนั้นแกก็เอาห่อมากรผูกกับปลายกระบอกปืนแกบยืนลงไปให้แล้วแกก็เหนี่ยวไกปัง้งตาผมเห็นแล้วตกใจมากที่อยู่อาของแกก็ยิงคนมันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันยังไม่ทันที่ความสับสนจะหายไปจากสมองร่างของผู้หญิงคนนั้นที่โดนยิงแล้วก็กลังชักดิน้นชักหนอยอยู่บนพื้นดินบัด น, นี้หายไปแล้วจู่ๆก็เห็นศึกครูตัวใหญ่กระโดดออกไปจากใต้ขนห้างแก สิ่งที่เกิดภาพที่เห็นทำให้แกกลัวมากจนเกือบจะเยี่ยงอกมาเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติคืนนั้นแกกับอาของแกไม่ได้นอนเลยสักนิดเพราะว่าตลอดคืนก็ยังเบ้าได้ยินเสียงเสือร้องอยู่เป็นระยะระยะพอดวงอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าสว่างจึงได้หลงมาจากห้างกันจึงได้พบทั้งรอยเลือดและรอยเสือแกกับอาจึงได้รีบเดินทางกลับกันและก็ไม่ไปทางที่ที่บริเวณนั้นกันอีกเลย แก่ก็บอกว่าแกก็ลืมถามอาไปวารู้ได้ยังไงว่าคนนั้นไม่ใช่คนครับก็จบไป2เรื่องนะครับหวังว่าท่านที่คิดถึงเสือคงจะชอบนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณที่พนหนุ ก, กับคุณพิษที่ได้กรุณาใช้เรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยรุ่มสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ